ขโมยพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยขโมยกันได้มันขโมยได้โดยที่ว่าเขาเอาอะไรมาแทรกแซงให้เราหลงเชื่อไปตามเขาเช่นอย่างพวกไปรับขันส่งวินยงวิญญาณอะไรเนี่ยนี่คือการขโมยพระรัตนตรยัยถ้าเราไปหลงเชื่อไปรับขันขึ้นครูกับเขาแล้วก็เขาเอาพระรัตนตรัยของเราไปทาลายแหลกลาน บาลังใจของชาวพุทธซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าองค์เดียวกำลังคลอนแคลนเพราะชาวพุทธปันใจให้กับพูดผีปีศาจและผู้วิเศษอื่นๆทำให้จิตใจของชาวพุทธไม่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าซึ่งเคยเป็นที่พึ่งมาก่อนดังนั้นชาวพุทธควรจะได้กลับใจมายึดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงตามเดิมเสียก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เวลานี้คนไทยไม่มีจุดยืนไม่ทราบว่าจะอาออะไรเป็นจุดยืนกันแน่เพราะฉะนั้นเราจึงเคว้งคว้างอยู่ใครหยิบยื่นอะไรมาเราเอาหมดจุดยืนจริ ง, รงๆเราไม่มีเรานับถือศาสนาพุทธเพียงแค่จารีตประเพณีแต่ว่าจิตใจเราไม่ถึงธรรมะอย่างแท้จริง อย่างไรเรียกว่าทําบุญนอกขอบเขตพระพุทธศาสนาทำบุญนอกขอบเขตของพระพุทธศาสนาหมายถึงว่าไปทำบุญถวายแก่พระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าทำบุญนอกศาสนาทีนี้การทำบุญนี่ถ้าใครอุทิศเฉพาะพระเจ้าองค์นั้นที่ขณะนั้นเขายกย่องนับถือ อันนี้เรียกว่าทำบุญนอกศาสนาแต่ว่าทำบุญสาธารณประโยชน์เช่นเราไม่ได้ทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์แต่เราไปทำบุญกับเด็กนักเรียนกับคนไข้โรงพยาบาลซื้อเครื่องมือให้โรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลเป็นต้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำบุญนอกพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราก็สอนการทาบุญให้ทาน หมายถึงยื่นของให้ปฏิคาห6ปฏิคาห6รับไปกลับมืออันนี้เรียกว่าทำบุญให้ทานทานปริจาคะให้สลับให้เพื่อรับผลตอบแทนเช่นอย่างทำบุญกับโรงพยาบาลนี่เป็นทานปริจาคะทำบุญกับโรงเรียนเป็นทานปริจาค ะ, ะสร้างวัดสร้างวาเนี่ยเป็นทานปริจาคะ แต่การให้ข้าวให้ของให้ผ้าผ่อนท่อนสบายปั จ, จัจสี่แก่พระภิกษุสงฆ์เป็นการให้ทานทีนี้ก็เรียกว่าบริจาคะเน็ตเพราะว่าเราหวังผลหวังผลตอบแทนคือหวังผลที่จะให้กุลบุตรกุลธิดาได้อาศัยที่ศึกษาเล่าเรียนคนไข้าอาศัยโรงพยาบาลรักษาพยาบาลอันนี้เรียกว่าบริจาค ให้ทานนี่ให้ไปโดยไม่หวังผลอะไรเลย